ตอนเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ตามที่ได้เล่าไว้ในตอนต้นๆว่าเป็นคนชอบปลูกบ้านให้ฝรั่งเชา่าและปลูกเรื่อยเกือบทุกปีในเดือนสิงหาคมเพราะถือว่าเลข9้าเป็นเดือนเก้าหน้าและที่เคยเล่าไว้ว่าที่วางแปลงที่ไปถามเจ้าพ่อหลักเมืองและท่านบอกให้เก็บไว้ปลูกบ้านแล้วจะเกิดโชคดีนั้นก็เป็นจริงตามที่ท่านทํานายคือพอปลูกเสร็จเป็นตึกสองชั้นกระทัศรัศ ข้างบนสองห้องนอนสองห้องน้ำและมีห้องเล็กสำหรับทำงานหรือไว้ที่บูชาพระส่วนชั้นล่างก็มีห้องรับแขกเก๋ไก่มีห้องครัวห้องทานอาหารพร้อมห้องน้ำแขกโรงรถเก็บรถได้สองคันห้องคนใช้ก็เป็นตึกล้วนในเนื้อที่สองตารางวาฝรั่งมาเซ็นสัญญาเช่าแต่ไม่ทันได้เข้าอยู่ ก็มีผู้สูงอายุที่รู้จักรักใคร่กันดีออกมาจากวังหลวงบอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งให้ช่วยดูบ้านที่เจ้าของบ้านเป็นผู้ดีและปลูกบ้านสวยๆให้สักหลังเนื้อที่ก็ขนาด200ตารางวาท่านจะซื้อประธานแก่มหาดเล็กคนสนิทของท่านคุณหญิงที่มาขอซื้อท่านก็บอกกับฉันว่าฉันเห็นคุณมีหัวทันสมัยปลูกบ้านแต่ละหลังหน้าอยู่ทั้งนั้น ฉันเลยมาขอซื้อบ้านหลังใหม่นี้ขอให้คุณคิดว่าเป็นโชคมหาสารเที่ยวนะที่จะได้เงินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นของคุณถือว่าเป็นมหาสิริมงคลทีเดียวละ่ะฉันก็ตอบไปว่าตายจริงได้เซ็นสัญญากับฝรั่งเขาไปแล้วเขาจะเข้ามาอยู่ทันทีที่เมียเขาเดินทางมาถึงเมืองไทยขณะนี้เขาพักอยู่ที่โฮเทลรอเมียไปพังพลางก่อนคุณหญิงก็บอกว่า คุณบอกเขาไปสิว่าจะขายถวายในหลวงเป็นกรณีพิเศษแล้วเอาเถอะฉันจะช่วยหาบ้านใหม่ให้เขาแทนในที่สุดบ้านฉันก็ได้ตกลงขายถวายในหลวงไปจริงๆและฉันก็ได้รับเงินมาเป็นสิริมงคลเป็นก้นถุงแล ะ, จะเจริญรุ่งเรืองมาจนทุกวันนี้และที่น่าพิศวงจริงๆก็คือหลังจากได้เงินมาแล้วอยู่ต่อมาไม่นาน ก็มีคนมาขอซื้อบ้านที่บรรดาฝรั่งเช่าอยู่ไปในราคาดีๆที่ด้านหลังสองหลังเมื่อบ้านเหลือน้อยหลังแล้วแล้วก็เบื่อเบือที่อยู่แถวสุขุมวิทเต็มทีก็เลยให้ฝรั่งเช่าไปโดยผู้เช่าเป็นชายโสดและรักบ้านนั้นมากขอเซ็นสัญญาทีเดียวสปีฉันกับครอบครัวก็เลยไปเช่าตึกหลังหนึ่งอยู่ที่คลองตันพร้อมปลูกบ้านใหม่ที่หัวหมาก ฉันไปซื้อที่ไว้สี่แปลงแปลงละ200ตารางวาตอนจะปลูกก็ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะปลูกในแปลงไหนดีก็นิมนต์หลวงพ่อกัสปะซึ่งตอนหลังนี้ได้บวชเป็นพระแล้วขอให้ท่านมาเหยียบและเลือกให้ว่าแปลงไหนดีที่สุดท่านก็เลือกแปลงที่อยู่หัวมุมคือติดทั้งถนนใหญ่และซอยท่านบอกว่าแปลงนี้เทพรักษาที่ลอยฟ้องดีเหลือเกินให้ปลูกแปลงนี้แหละ มันช่างแปลกจริงๆที่ตอนถมดินตึกนั้นก็ปลูกบนเนินแล้วแต่พอถึงถมที่ที่จะปล่อยเป็นสนามอยู่ดีๆฉันก็คิดขึ้นมาว่าให้ทำเป็นเนินอีกเนินหนึ่งตรงมุมขวาของที่ดินในใจก็ไม่รู้จะทำอะไรดีแต่ก็สั่งให้ทำเนินทิ้งไว้เฉยๆอย่างนั้นแหละเมื่อบ้านเสร็จใหม่ๆเครื่องเรือนยังเสร็จไม่หมด มีแต่พวกห้องนอนได้เลิกย้ายเข้าวันที่15สิงหาคม2511เมื่อทำบุญบ้านเสร็จข้างล่างยังไม่มีเครื่องเรือนเสร็จสักชิ้นวันหนึ่งฉันอยู่บ้านลำพังกับคนใช้เด็กๆไปโรงเรียนคุณกลิตไปทำงานฉันเอาเสือมาปูนอนเล่นในห้องรับแขกที่ห้องรับแขกหลังนี้ด้านล่างของหน้าต่างใสกระจกมองออกไปเห็นสนามฉันนอนมองคนปูญ่าอยู่ แล้วก็คิดในใจว่าปลูกบ้านหลังนี้หมดเงินไปหลายแล้วงานที่ติดต่ออยู่ยังไม่เห็นเสร็จสักทีจะได้เงินมาเพื่อช่วยทุนได้บ้างทันทีที่เสียงในหูก็พูดขึ้นมาว่านอนบนอยู่ทาไมทำไมไม่บนเจ้าที่เข้าละ่ะฉันก็เถียงในใจว่าไม่เอาละบนเจ้าที่ทางงานเสร็จก็ต้องสร้างศาลพระภูมิอีกนะสิตั้งใจไว้นะว่าจะไม่สร้างศาลพระภูมิอีกแล้ว พอบ้านหลังเก่าๆมีสารพะภูมิแล้วเวลามีเรื่องอะไรให้หมอดูทํานายก็ชอบว่าถูกพะภูมิเหยียบบ้างทับบ้างไม่บนหรอกเสียงก็ค้านว่าไม่ได้คนวันเสาร์ต้องมีสารถึงจะเจริญบนเข้าเถอะฉันตอบว่าเอา้าบนก็บนแล้วดีจริงๆนะเสียงก็ตอบว่าจริงรีบบนเข้าเถอะฉันก็ถามว่าจุดทูปกี่ดอกตอบแดดอก บนเมื่อไหร่วันศุกร์ให้เอาทูบไปปักกลางสนามเสร็จเรื่องได้เงินแล้วจะต้องสร้างสารถวายฉันก็เอาแป้งนวลไปจดไว้ที่หน้ากระจกแต่งตัวว่าบนวันศุกร์ทูบแปดดอกพอถึงวันศุกร์ฉันก็จุดทูบหอมแปดดอกขอให้งานสำเร็จแล้วจะสร้างสารถวายเจ้าที่ช่างเป็นเรื่องประหลาดที่ฉันได้ติดต่องานไว้ชิ้นหนึ่งแต่ผลออกมาแล้วว่าไม่สาเร็จ แต่พอคืนวันอาทิตย์ประมาณสองทุ่มก็มีโทรศัพท์จากผู้ที่จะตัดสินเรื่องนี้ว่าจะสำเร็จหรือไม่ซึ่งตอบปฏิเสธไปจนเอาเรื่องคืนมาแล้วโทรศัพท์มาถามว่าเรื่องเก่าชิ้นนั้นเอาคืนมาหรือยังเอาคืนมาแล้วค่ะตั้งแต่วันพฤหัสทางน้นเอากลับมาใหม่นะครับวันจันทร์ให้กับเลขาผมไว้ก็ได้ผมจะพิจารณาใหม่ฉันก็รีบจัดการนาเรื่องไปยื่นใหม่วันจันทร์ พอวันพุธเรื่องก็เสร็จอย่างไม่น่าเชื่อผลของงานนั้นทำให้ฉันได้เงินมาจำนวนมากพอสมควรสำหรับสมัยนั้นฉันได้เงินตอนเช้าตอนกลางคืนก็จุดธูปแปดดอกออกมายืนที่เทอเรสหน้าบ้านแม้ว่าจะหลับตาแสงไฟฟ้าที่ถนนหน้าบ้านก็ยังส่องหนังตาให้เห็นแสงสว่างได้ฉันจุดธูปแล้วยืนหลับตาพูดว่างานที่ลูกบนไว้นั้นบัดนี้สาเร็จแล้ว ลูกจะสร้างสารถวายโดยเร็วที่สุดลูกขอขอบพระคุณมาด้วยความเคารพอย่างสูงทันทีทันใดที่ฉันพูดจบลงก็มีเงาดํามืดทีเดียวมาบาังแสงไฟฟ้าที่ถนนหนังตามืดสนิทพร้อมเสียงหัวเราะขอบใจแล้วพูดว่าเออดีสร้างสารบนเนินนั่นนะแล้วหันหน้าเล็งประตูใหญ่ฉันขนลุกสู้ไปหมดบนหัวก็รู้สึกว่าผมแทบจะตั้ง ตกใจด้วยกลัวด้วยเื่มปิติด้วยหลายอย่างปนกันรู้แน่แก่ใจอย่างเดียวว่าบ้านเราที่ดินแปลงนี้เทพเจ้าศักดิก์สิทธิ์จริงๆไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปเมื่อฉันสัญญาว่าจะแก้บนกับสิ่งศักดิก์สิทธิ์ฉันก็วุ่นวายใจว่าเอแล้วนี่เราไปหาใครมาตั้งศาลดีละ่ะเผอิญ น, นึกขึ้นได้ถึงเพื่อนข้าราชการที่ทางานของคุณกฤิขึ้นมาเธอชื่อคุณชอ เป็นที่ยอมรับนับถือในหมู่ผู้คนมากมายเอ่ยชื่อคุณชอใครๆก็รู้จักฉันก็ให้คุณกริเชิญคุณชอมาที่บ้านวันนั้นเป็นวันศุกร์ตอนสายๆพอคุณกริพาคุณชอมาถึงเธอก็เดินไปที่สนามเดินวนเวียนสักครู่ก็กลับขึ้นมาบ้านให้ตั้งศาลบนสนามริมรั้วด้านทิศใต้แล้วให้หันหน้ามาสู่ห้องพระซึ่งอยู่ชั้นบนแต่กลางบ้านฉันก็เกิดความไม่สบายใจอย่างยิ่ง เพราะเสียงที่สั่งนั้นว่าให้ตั้งบนเนินหมายถึงเนินที่ฉันทําไว้โดยไม่ได้ตั้งใจว่าจะทําอะไรตั้งแต่แรกถมดินแล้วให้หันหน้าเล็งประตูใหญ่ประตูบ้านของเรานั้นตั้งอยู่ทางถนนด้านติดซอยอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือส่วนมุมที่ตั้งเนินนั้นอยู่ทิศใต้ซึ่งอยู่กันคนละทิศทีเดียวฉันจะค้านคุณชอก็ไม่กลา้าเพราะเราไม่ใช่ผู้รู้จะไปค้านเขาได้ยังไง จะเราเรื่องที่ได้ยินก็กลัวคุณชอเขาจะหาว่าเราบ้าฉันกับคุณกฤิก็ได้แต่มองตากันแล้วก็ไม่รู้จะทำอย่างไรในที่สุดฉันก็ตัดสินใจพูดขึ้นว่าขอให้คุณชอลองไปพิจารณาดูอีกทีสิคะว่าถ้าจะตั้งบนเนินจะได้ไหมคุณชอก็เดินลงไปเลงอยู่สักครู่ก็กลับมาบอกว่าได้ครับได้แล้วก็หันหน้าสารมาเลงห้องพระตามเดิมฉันก็หมดปัญญาจะแก้ไข ก็ได้แต่รับฟังและจะปฏิบัติตามวันเสาร์คุณกลิตกับคุณชอก็ไปดูซื้อตัวสารกันแต่ยังไม่ขนมาเอารอไว้ที่ร้านก่อนวันศุกร์ต่อมาคุณชอก็ส่งคนมาเริ่มขุดดินบนเนินจะลงเสาเข็มเพื่อตั้งฐานรองรับตัวสารฉันก็นอนดูคนงานทำงานอยู่ในห้องรับแขกกำลังดูเพลินๆพลนพันก็มีเสียงหัวเราะเฮอเฮลั่นหูไปหมด ฉันคุ้นกับเสียงนี้มานานแล้วฉันก็ถามว่าหัวเราะ อ, อะไรขันเนอะสิขันเจ้าชอมันทำไมขันเขาทำไมวันนี้นะ่ะเลิกดีเขาก็ส่งคนงานมาลงเสาเข็มจะได้ตั้งศาลไงเขาหัวเราะ อ, อีกก่อนจะพูดว่าเลิกดีอะไรกันมันไม่ได้ตั้งหลอกศาลนี่นะ่ะอา้าวถ้างั้นไปบอกให้คนงานหยุดนะไม่ต้องเฉยๆไว้แล้วดีเอง คอยดูไปก็แล้วกันฉันก็หมดปัญญาแล้วให้งุนหงิดใจเป็นที่สุดว่าแล้วนี่เราจะทํายังไงกันดีละ่ะนี่ก็ตกลงกับคุณชอจนเขาเรียบร้อยดีแล้วอยูย่ๆมาบอกว่าเขาจะไม่ได้ตั้งแล้วใครล่ะจะเป็นคนมาตั้งเย็นลงคุณกริดกลับมาจากที่ทํางานฉันก็เล่าเรื่องให้ฟังคุณกริดถอนใจแล้วก็บ่นว่ามันยังไงกันล่ะนี่เอายี้ก็แล้วกัน ก็เสียงที่บอกก็สั่งแล้วว่าเฉยไว้แล้วดีเองงั้นเราก็รอดูก็แล้วกันฉันก็จำต้องรอดูกันไปพอคืนวันเสาร์ติ่งลูกศิษย์หลวงพ่อกัดสปะโทรศัพท์มาบอกว่าหลวงพ่อลงมาจากระยองเราสองคนก็ดีใจรีบสั่งติ่งให้นิ ม, มนต์หลวงพ่อมาที่บ้านฉันวันอาทิตย์คุณกฤิเป็นคนขับรถไปรับหลวงพ่อที่บ้าน ตอนนั้นหลวงพ่อเพิ่งบวชได้ไม่นานเวลาเข้ากรุงเทพก็มาจาวัดที่ห้องพระที่บ้านท่านระหว่างทางคงได้เรียนท่านไปถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะพอรถจอดที่บ้านปั๊บท่านก็เดินลงสนามทันทีท่านไปยืนบนเนินอยู่สักครู่ฉันมองท่านอยู่ในบ้านก็เห็นท่านชี้มือชี้ไม้พูดกับคุณกฤิคุณกฤิก็เดินยิ้มแป้นกลับมาพร้อมหลวงพ่อพอขึ้นมาบนบ้านถาวายน้าหลวงพ่อแล้ว คุณกริตก็กระซิบว่าหลวงพ่อบอกตั้งบนเนินน่ะถูกแล้วแต่เลงห้องพระไม่ได้ต้องหันหน้าเลงประตูใหญ่เลงหลังพระบ้านก็จะแตกเป็นสองเสี่ยงฉันได้ฟังเท่านั้นก็ให้รู้สึกโล่งอกไปทันทีถามคุณกริตว่าไปบอกหลวงพ่อหรือเปล่าว่าแม่ได้ยินเสียงคุณกริตบอกว่าเปล่าไม่ได้เล่าเล่าไม่ได้พอต้องการให้หลวงพ่อออกความเห็นของท่านเองพอฉันอาหารเสร็จหลวงพ่อก็พูดกับเราว่า เสาเข็มเขาลงไปแล้วก็ไม่เป็นไรเราหันฐานให้เหลี่ยมรับกับประตูบ้านได้เวลาเขาเทคอนกรีตหลวงพ่อจะตั้งให้เองหลวงพ่อนำแผ่นทองเตรียมไว้ให้นานแล้วตั้งแต่ให้มาเหยียบที่ครั้งแรกที่แปลงนี้เจ้าที่สูงเป็นเทพขั้นสูงชื่อท่านโกนชัญยะมาสถิตยอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นต้องตั้งสารเทพเรียกสารไม่ได้ต้องเรียกว่าวิมาน ในที่สุดเสียงที่ฉันได้ยินก็เป็นจริงไปทุกอย่างตกลงคุณชอไม่ได้ตั้งกลายเป็นหลวงพ่อกัสปะตั้งและตั้งบนเนินแล้วก็หันหน้าเล่งประตูใหญ่หลวงพ่อได้มาทาพิธีให้เสร็จเรียบร้อยแล้วสั่งกําชับว่าเวลาคนจะขึ้นไปถวายของหรือตัดหญ้าบนเนินนี้ห้ามใส่รองเท้าขึ้นไปเด็ดขาดต้องเคารพเหมือนจะเข้าไปในโบสถ์อย่างไรอย่างนั้นทีเดียวและหลวงพ่อให้ชื่อวิมานนี้ว่า วิมานพุทธเกษตรความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเทพโกนชัญญาที่สถิตอยู่ณวิมานนี้นั้นเราทุกคนในบ้านและคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่างได้เห็นประจักษ์กันจนลืมไม่ลงและบ้านหลังนี้เป็นหลังที่13ที่ฉันได้สร้างด้วยตนเองคุมงานเองปีนบันไดไม้ไผ่ขึ้นไปตรวจงานรวมเวลาสร้างทั้งสิ้นเจเดือนเศษและเมื่อบ้านเสร็จเรียบร้อยก็ได้สัญญากับตัวเองว่า จะขอสร้างหลังนี้เป็นหลังสุดท้ายแล้วและจะขอตายที่บ้านหลังนี้แหละเวลาที่ฉันสร้างบ้านหลังนี้ฉันอายุ51ปีและได้อยู่ในบ้านหลังที่13ของฉันนี้มีความสุขตลอดมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ภายใต้ความคุ้มครองรักษาให้อยู่ล่มเย็นเป็นสุขขององค์เทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยความอบอุ่นใจเป็นที่ยิ่งความศักดิ์สิทธิ์ขององค์ท่านมีอย่างไรบ้างแล้วฉันจะเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไป ตอนเจ้าแม่ตะเคียนทองในซอยเดียวกันกับที่ฉันอยู่มีบ้านเพื่อนที่รักอยู่คนหนึ่งเธอเป็นภรรยาในพลมีบุตรหญิงซึ่งแต่งงานไปแล้วสามคนหลานนับไม่ถ้วนบรรดาลูกๆเหล่านี้ก็ได้ที่ดินและปลูกบ้านอยู่ในบริเวณซอยเดียวกันกับบ้านพ่อแม่และทั้งๆ ท, ที่ลูกก็แยกบ้านไปแล้วแต่ก็มีวัยต้องเอาหลานๆมาฝากคุณยายเลี้ยงดู แม้จะมีพี่เลี้ยงก็ไม่ไว้ใจคุณยายก็ยังต้องดูแลอีกทีหนึ่งด้วยเหตุดังนี้ฉันจึงไม่เรียกชื่อเธอแต่เรียกเธอคุณยายแทนและเธอก็เคยบอกว่าชอบมากที่เรียกเธออย่างนี้และที่ฉันรักเธอก็เพราะเธอเป็นกุลสัตรีโดยแท้มารยาทเรียบร้อยเป็นผู้ดีการบ้านการเรือนไม่มีบกพร่องพูดจาก็ไพเราะ ใครรู้จักใกล้ชิดกับเธอเป็นต้องชอบเธอทุกคนแต่เธอเป็นคนที่ไม่ค่อยแข็งแรงนักมีโรคประจำตัวคือเป็นหืดแพ้อากาศบ่อยๆและจะมีอาการแพ้ทุกๆปีในเวลาจะเปลี่ยนจากหน้าร้อนเป็นหน้าฝนทำไมฉันจึงต้องนำเรื่องของคุณยายมาเล่าเพราะเธอคนนี้เรื่องจึงได้เกิดเรื่องขึ้นคุณยายเป็นคนขยัน วันหนึ่งลงไปข้างล่างจะเอาน้ำให้สุนัขที่เลี้ยงไว้กินเพราะสุนัข ก, กินข้าวแล้วคนใช้ยังไม่ให้น้ำก็จะให้เสียเองไม่รู้เดินท่าไหนเหยียบน้ำแถวที่เดินหกล้มลงไปข้อเท้าหักต้องเข้าเฝือกอยู่เป็นเดือนพอเอาเฝือกออกวันเดียวกันนั้นก็เกิดเห็นฝุ่นเกาะที่รูปที่แขวนอยู่ในห้องโถงก็ยกเก้าอี้มาจะปีนขึ้นไปเช็ดฝุ่นที่รูป เก้าอี้นั้นหรือก็ออกราคาแพงแข็งแรงดีเพราะตั้งอยู่ในห้องโถงที่รับแขกพอป่นขึ้นไปไม่ทันจะเช็ดก็มีอันเป็นเก้าอี้ล้มยังกับถูกคนผลักตัวของคุณยายซึ่งผอมนิดเดียวก็ล้มลงกระแทกกับพื้นเอามือยันพื้นข้อมือหักทันทีต้องรีบกลับไปเข้าเฟือกที่ข้อมืออีกทั้งทั้งที่เพิ่งกลับมายกยกวันนั้นวันที่จะเกิดเรื่อง ฉันนั่งอยู่บนโซฟาในห้องนอนใกล้หน้าต่างและโต๊ะโทรศัพท์ฉันได้ยินเสียงแตรรถวอลโว่ของคุณยายผ่านบ้านไปพลันใจก็นึกขึ้นมาว่าสงสารคุณยายจริงๆยิ่งบอบบางอยู่แล้วเดี๋ยวขาหักเดี๋ยวแขนหักนี่มันอะไรกันมันจะต้องมีอะไรสักอย่างเสียแล้วทันทีเลยก็มีเสียงพูดที่หูว่าก็มันมีนะสิรู้ไหมว่า มันไล่ค่าออกไปแล้วแต่ลูกน้องค่ายังอยู่ทั้งบ้านมีมันเคราะห์ร้ายอยู่คนเดียวชะตาอ่อนมากกำลังจะแย่ฉันได้ยินเสียงนี้ชัดมากใจก็คิดทันทีว่านี่ไม่ใช่เสียงมาดีแล้วแต่เอ๊ะเสียงของวิญญาณใครบ้านเราวิญญาณจรเข้าไม่ได้นี่ฉันก็ตอบไปในจิตว่านั่นวิญญาณใครพูดบ้านนี้วิญญาณจรเข้าไม่ได้นี่ แล้วนั่นวิญญาณใครข้าเจ้าแม่แตะเคียนทองพูดข้าพูดมาทางอากาศเสียงนั้นตอบแล้วพูดต่อไปว่าเจ้ารักมันใช่ไหมถ้ารักมันก็ช่วยมันซีหมายถึงคุณยายช่วยยังไงล่ะเจ้าต่อโทรศัพท์ไปเดี๋ยวนี้มันอยู่บ้านโทรไปหามันบอกว่ายังไงเอาเธอหน้าต่อโทรศัพท์ไป แล้วข้าจะบอกเองฉันมีความรู้สึกแปลกมากคือตัวสั่นนิดๆแต่เหนื่อยที่หัวใจมากมือไม้อ่อนไปหมดโทรศัพท์ก็อยู่ใกล้มืออยู่แล้วก็หมุนไปหาก็พอดีเสียงคุณยายรับเองฉันก็พูดก่อนว่าคุณยายคะมีเรื่องสำคัญจะบอกแล้วคุณยายต้องปฏิบัติตามนะเรื่องอะไรล่ะอยู่ๆจะให้ทำตามบอกมาก่อนซิ พูดแล้วก็หัวเราะเหือๆตามเคยคุณยายฟังดีๆนะไม่ต้องตอบรับหรือปฏิเสธก็ได้คือตอนปลูกบ้านใหม่ๆนะ่ะคุณยายเคยทําพิธีไล่เจ้าแม่ตะเคียนทองออกไปแต่เมื่อกี้เจ้าแม่ตะเคียนทองส่งเสียงมาให้บอกคุณยายคุณยายไม่ตอบว่าจริงหรือไม่จริงแต่รีบถามว่าบอกว่ายังไงบอกว่ายังไงทันทีฉันถูกสั่งและตัวเองก็มีอาการสั่นมากขึ้น มันทั้งตื่นเต้นแล้วก็เหนื่อยมากรู้สึกตัวเหมือนถูกบังคับยังไงก็ไม่รู้รู้แต่ว่าต้องพูดตามต้องทำตามคาสั่งนั้นมีว่าบอกว่าทีไล่ตัวเจ้าแม่ไปนะ่ะแต่ลูกน้องยังอยู่แล้วคนในบ้านลูกหลานนะ่ะลบหลู่ดูมินทำอะไรไม่เกรงใจแต่ผลเคราะห์กรรมทั้งหมดจะมาลงที่คุณยายคนเดียวเพราะดวงอ่อนมากกาลังมีเคราะห์ด้วย แล้วจะแก้ไขยังไงล่ะคุณยายรีบถามเสียงก็สั่งให้พูดว่าให้เอาเนื้อสดมาพลา่าของหวานไม่เอาเอาผลไม้แทนให้ตั้งโต๊ะกลางแจง้งวางน้ำกินให้ด้วยจะกินน้ำมะพร้าวจุดทูบขึ้นมาสามดอกทูบสองดอกปักบอกเชิญเจ้าแม่อีกดอกหนึ่งเชิญลูกน้องให้ปักคนละที่แต่กลางสนาม แล้วให้ทําบุญตักบาตรแผ่ส่วนกุศลไปให้เจ้าแม่และลูกน้องและอย่าลืมขอขอมาลาโทษแทนเด็กๆด้วยให้รีบทําเร็วๆมิฉนั้นจะเจ็บหนักอาจจะถึงแก่ชีวิตคุณยายนิ่งเงียบฉันก็ถามไปว่าคุณยายได้ยินหรือเปล่าคุณยายตอบมาเสียงอ่อยๆว่าได้ยินแล้วอย่าลืมทําตามนะคุณยายไม่ใช่เรื่องเล็กนะคุณยายก็รับคำแล้วบอกจะทาตาม ต่อมาอีกประมาณสองอาทิตย์ได้ที่บ้านก็มีการสั่งสรรกันนานๆพบกันทีพอรวมกันได้ก็เล่นไพ่กันวันนั้นคุณยายก็มาเล่นด้วยขณะที่กำลังเล่นก็มีเสียงบอกขึ้นมาที่หูว่านี่รู้ไหมว่ามันยังไม่ได้ทำตามที่บอกเลยเตือนมันทีฉันก็ถามคุณยายว่าคุณยายคุณยายนี่ยังไม่ได้ทาอีกหรือทาอะไร ก็ทำตามที่บอกทางโทรศัพท์วันนั้นไงคุณยายก็หัวเราะหึ่หึแล้วบอกว่าแม้มัวแต่ยุ่งลูกสาวเอาหลานคนเล็กมาฝากเด็กคนเลี้ยงก็ไม่ประสาเลยลืมแล้วกลับไปนี่คุณยายรีบทำเสียนะแล้วฉันก็มองตาคุณยายชนิดให้ระวังไม่ใช่เรื่องเล่นคุณยายก็ยิ้มแล้วพยักหน้ารับฉันก็วางใจต่อมาอีกกี่วันก็จาไม่ได้ ฉันกำลังนั่งที่โซฟาตัวเดิมก็มีเสียงเตือนมาอีกว่าป่านนี้แล้วมันยังไม่ทำตามที่บอกเลยฉันก็เกิดความรำคาญจิตก็ตอบไปว่าเขาไม่ทำก็ช่างเขาปไปไม่อยากยุ่งเดี๋ยวเขาก็จะมาว่าว่าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวเขาไม่ได้ไม่ได้มันกำลังจะแย่แล้วรีบเตือนไปอีกทีตอนนี้ตัวมันไม่อยู่หรอกอยู่แต่ผัวมัน จิตฉันก็ตอบว่าโอ้ยไม่เอาละยิ่งพูดกับผัวเขายิ่งไม่เอาใหญ่ทันทีก็เกิดความรู้สึกอย่างถูกบังคับอีกคราวนี้เหนื่อยกว่าคราวแรกเสียงที่พูดนี้ยังสั่นไปหมดสามีคุณยายมารับสายเองคุณยายไม่อยู่จริงๆฉันก็พูดว่าเจ้ากรมคะเห็นคุณยายตั้งโต๊ะทำพิธีอะไรหรือยังสามีคุณยายตอบว่าตั้งโต๊ะทาอะไรครับเอ๊ะผมไม่รู้เรื่อง แต่คิดว่าผมยังไม่เห็นเมียผมเขาทำอะไรอย่างว่าเลยนะเสียงสั่งว่าเล่าไปเล่าให้ผัวมันฟังฉันเกี่ยงไม่เล่าก็ถูกบังคับเลยจาต้องเล่าแล้วขณะที่เล่าให้สามีคุณยายฟังฉันก็เกิดมองเห็นคานที่บนบ้านของคุณยายซึ่งอยู่ชั้นบนคานนี้ใหญ่และยาวมากหุ้มด้วยไม้สีเหลืองทองทั้งสามด้านส่วนด้านบนฝ้าเพดานปิดประกบ ฉันก็รีบถามสามีคุณยายว่าเจ้ากรมคะบนบ้านใต้หลังคามีคานอันหนึ่งยาวตลอดบ้านเลยแล้วมีไม้สีเหลืองอยู่สามด้านมีไหมมีครับคานรับหลังคาไงบ้านผมเป็นคอนกรีตรหมดนี่หลังคาก็คอนกรีตรคานนี้แหละคะ่ะกำลังเป็นพิษจะเกิดเรื่องไม่ดีกับคุณยายเจ้ากรมช่วยเตือนคุณยายให้รีบทาตามที่บอกเร็วๆนะคะถ้าไม่งั้นคุณยายจะเดือดร้อน สามีคุณยายก็รับคำแบบโดยมารยาทและฉันก็รู้ว่าเขาไม่เชื่อเรื่องพันนี้หรอกฉันถูกบังคับก็เลยกลายเป็นคนบ้าไปคนเดียวแล้วก็ไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาเข้าอีกด้วยแต่ทำยังไรได้ละ่ะฉันทำเพราะถูกบังคับฉันถูกอาศัยเป็นสื่อกลางให้ช่วยชีวิตคุณยายความจริงก็เป็นกุศลอยู่เหมือนกันถัดจากวันนั้นกี่วันจำไม่ได้ ฉันโทรศัพท์ไปหาคุณยายเห็นเงียบหายไปเด็กในบ้านบอกคุณยายเป็นลมในห้องน้ำตอนนี้นอนอยู่โรงพยาบาลได้สามสี่วันแล้วฉันเองก็ไม่ค่อยสบายก็เลยไม่ได้ไปเยี่ยมคิดว่าไว้คุณยายกลับมาบ้านค่อยไปคุยกันไม่กี่วันต่อมาคุณยายโทรศัพท์มาที่บ้านบอกว่าคิดถึงเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลยังเพลียมากฉันก็คิดถึงเรื่องเดิมก็เตือนว่า คุณยายก็รีบทำเสียทีสิเห็นไหมชักไม่ค่อยดีแล้วนะคุณยายก็ตอบว่าให้ค่อยมีแรงหน่อยก่อนแล้วจะทำเองให้ใครทำแทนก็ไม่ได้วันนั้นเป็นวันเสาร์ฉันจาได้เพรา ะ, พระเพอินนัดคนมาหาพูดธุรกิจกันด้วยวันจันได้ความว่าคุณยายถูกหามเข้าโรงพยาบาลอีกคราวนี้เดินไม่ได้เลยฉันอยากไปเยี่ยมเหลือเกิน แต่ลูกๆคุณยายหลายคนฉันก็ไม่ค่อยอยากจะพบนักมีบางคนที่เชื่อและหลายคนไม่เชื่อเรื่องที่บอกถ้าไปพบกันก็ไม่รู้จะตีหน้ายังไงก็เลยตัดใจไม่ไปเดือนนั้นเป็นเดือนกุมภาพันธ์เดือนเกิดของคุณยายด้วยอายุครบ60คุณยายหายกลับมาบ้านลูกๆก็จัดงานเลี้ยงเพราะครบ60สขณะที่หอของขวัญ น, นั้น ที่หูก็บอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะที่จะให้ของคุณยายฉันเกิดเป็นไข้หวัดส่งแต่ของขวัญไปให้คุณยายก็พูดเสียงใสามาขอบใจตามสายโทรศัพท์ฉันได้ยินเสียงแล้วก็ยังนึกสบายใจและก็ชักจะเอ็นไปในทางไม่เชื่อขึ้นมานิดๆด้วยซ้ำคุณยายกลับมานอนพักฟื้นที่บ้านได้ไม่ถึงเดือนก็ถูกหามเข้าโรงพยาบาลอีก ฉันโทรศัพท์ไปถามลูกสาวคนโตเล่าว่าหมอบอกคุณแม่แพ้อากาศอย่างแรงโลหืดก็กำเริบแต่นี่หมอเขาให้ยาคอยอยังชั่วแล้วคุณป้าไม่ต้องไปเยี่ยมหรอกคะ่ะลำบากเปล่าๆกะว่าวันเสาร์นี้ก็จะรับกลับมานอนบ้านได้แล้วแต่แล้วในที่สุดจูจ่ๆลูกสาวคนโตก็โทรศัพท์มาบอกว่าคุณแม่ได้เสียแล้วเมื่อเช้าวันจันทร์ หมอบอกหัวใจล้มเหลวค่ะคุณป้าจะตั้งศพที่วัดท่าทองรดน้าศพเย็นวันที่เสียวิทยุก็ออกประกาศฉันอ่อนเพลียไปหมดทั้งตัวยังกับงูลอกคราบไม่อยากกระดิกกระเดียเลยนอนสมน้ำตาซึมไม่อยากเห็นหน้าคุณยายตอนรดน้ำตกตอนข้าจึงเขียนสังขารไปสวดศพเห็นคุณยายในรูปที่ตั้งหน้าศพแล้วใจหายได้แต่รำพันอยู่ในใจว่า โธ่คุณยายไม่น่าเลยบอกก็แล้วเตือนก็แล้วก็ไม่ยอมทำเอาจนตายจนได้คุณยายคงชะตาขาดแม้เจ้าแม่จะได้พยายามมาช่วยแต่ดวงจะดับแล้วก็ให้มีอันเป็นลืมไปเสียแล้วฉันก็ภาวนาในใจว่าขอให้จบเวรจบกรรมกันเสียทีเถิดอย่าได้ทำอะไรกับลูกหลานที่อยู่ข้างหลังอีกเลยไหนไหนก็เอาชีวิตคุณยายไปแล้ว ก็ขอให้จบแต่เพียงคนเดียวและขอให้วิญญาณของคุณยายผู้น่าสงสารจงไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถิดเสียงพระสวดศพบทสุดท้ายพอดีพอเสร็จพิธีพระกลับแล้วฉันก็เดินไปที่รูปคุณยายแล้วก็ส่งจิตอโหสิกรรมซึ่งกันและกันแล้วก็ลาเจ้าภาพกลับนั่งมาในรถอดคิดย้อนไปถึงเสียงนั้นไม่ได้ว่าเหตุการณ์มหัศจรรย์อย่างนี้ยังมีอยู่ในโลกเราปัจจุบันนี้อีกหรือ และแล้วทำไมต้องเป็นตัวฉันที่ต้องได้ยินได้ฟังและถูกใช้เป็นตัวกลางทำไมเจ้าแม่ตะเคียนทองจึงมาบังคับฉันนี่เราเป็นใครกันนี่เจ้าแม่ถึงสามารถมาบังคับได้แล้วท่านผู้อ่านเชื่อหรือไม่ว่าเจ้าแม่ตะเคียนทองมีจริงแต่สําหรับตัวฉันแล้วตอบได้คำเดียวว่าไม่น่าเชื่อแต่แรกแต่ก็ต้องเชื่อในที่สุดเพราะโดนกับตัวเองจริงๆ ตอนวิมานพุท ธ, ธเกษตรที่บ้านฉันมีคนสวนคนหนึ่งชื่อปลิวเจ้าปลิวคนนี้มีหน้าที่ตัดหญ้าที่สนามทําสวนเปิดปิดประตูใหญ่เมื่อรถจะเข้าจะออกและอีกอย่างหนึง่งถ้าไม่ใช้ก็ไม่ทํานั่นคือทําความสะอาดวิมานพุท ธ, ธเกษตรวันหนึ่งฉันนั่งอยู่ในห้องทานอาหารเสียงท่านมาบอกที่หูว่าวิมานถูกนกขี่รถส ก, กรปรก พอได้ยินฉันก็เรียกเจ้าปลิวให้ไปทําความสะอาดที่วิมานและกําชับให้ระวังของต่างๆที่วางอยู่บนวิมานอย่าให้แตกหักเสียหายเจ้าปลิวก็ไปจัดการตามคําสั่งเป็นที่เรียบร้อยเช้า ว, วันรุ่งขึ้นก็มาทํางานตามปกติเจ้าปลิวทํางานแบบเช้ามาเย็นกลับวันนั้นเพื่อนๆฉันก็มาที่บ้านนัดสังสรรค์กันขณะที่เพื่อนๆ เ, เขาก็ต่างคนต่างพูดกันถึงเรื่องจะแทงหวยใต้ดิน จะซื้อลอตเตอรี่คนนั้นก็ว่าเลขนี้ดีคนนี้ก็ว่าเลขหนอนดีกันอยู่เพื่อนฉันคนหนึ่งก็ร้องขึ้นถามว่านั่นใครมายืนอยู่ที่หน้าต่างยาวนั่นตายหน้าตาน่ากลัวจังฉันหันไปดูก็เห็นเจ้าปลิวมายืนมองจากนอกบ้านเข้ามายัางพวกเรานวดคราามันก็ไม่ได้โกนปล่อยให้ขึ้นเต็มปากเต็มคางไปหมดฉันก็บอกเพื่อนคนนั้นว่าคนสวนน่ะ วันนี้มันไม่โกนหนวดเลยหน้าตาหน้ากลัวเอ๊ะมันมายืนมองทำไมนะฉันก็ทำมือเป็นสัญญาณว่าให้ไปเสียจากในห้องแอร์เจ้าปลิวก็เดินหลบไปตกเย็นเพื่อนๆกลับฉันก็มานั่งที่เทอรเรสเจ้าปลิวกำลังเอากันไกลเล็ยมหญ้าอยู่ใกล้ๆฉันก็บอกปลิวว่านี่ปลิววันหลังเวลาเพื่อนนายหญิงมาแล้วก็อย่าไปยืนมองอย่างเมื่อกี้นะไม่ดีไม่สุภาพ เจ้าปลิววางกันไกล ย, ยกมือพนมผมขอโทษครับนายที่ผมไปยืนดูด้วยนั้นจะขอเบอิกเงินนายไปซื้อหวยครับเมื่อวานผมล้างวิมานพอตกกลางคืนท่านก็ไปยืนที่หัวนอนผมนุ่งขาวห่มขาวมีคราวสีขาวถือไม้เท้าเอาไม้เท้าชี้มาที่ผมแล้วบอกว่าเองจนเหลือเกินนะเอา้าปู่ให้เองสองห้า ผมไม่มีเงินเลยกะจะเบิกนายสัก20จะแทงหวยแล้วแกจะแทงเท่าไหร่เบิก20บาทนะ่ะผมจะแทงสองบาทครับแต่ป่านนี้แทงไม่ทันแล้วถ้าออกมาผมเสียดายตายเลยเจ้าปลิวพูดแล้วทำหน้าเศร้าฉันเลยบอกอา้าวก็แล้วแกจะเบิกเงินนายทำไมไม่บอกไม่เข้าไปขอล่ะนี่ก็เย็นแล้วเอาอย่างนี้นะ ถ้าเกิดท่านให้เลขแกจริงๆออกมาตรง25แล้วก็นายจะให้สตางค์แกเองพ่อตกกลางคืนฉันเห็นเขาประกาศรางวัลลอตเตอรี่ในจอทีวีเล่นเอาฉันตกตะลึงเพราะเลขท้าย2ตัวออก25จริงๆฉันเลยต้องให้เงินเจ้าปลิวเป็นสินน้ำใจไป50บาทแล้วก็บอกมันว่าที่นี้ถ้าทันไปให้อีกแล้วก็บอกนายด้วยนะนายจะได้แทงด้วย เจ้าปลิวดีใจใหญ่ที่ได้เงินพร้อมรับคำต่อมาไม่นานฉันก็สั่งให้เจ้าปลิวไปทำความสะอาดที่วิมานอีกมันก็ไปทำพอเช้าวันลุงขึ้นจนถึงห้าวันต่อมาเจ้าปลิวก็ปลิวหายไปไหนไม่ทราบไม่มาทางานฉันก็ตั้งใจว่าถ้าถึงเย็นวันที่ห้ามันยังไม่มาก็จะให้คนไปตามที่บ้านเจ้าปลิวซึ่งอยู่ท้ายซอยใหญ่ใกล้ๆบ้านประมาณเที่ยงเศษ ฉันทานอาหารกลางวันเพิ่งเสร็จเจ้าปลิวก็ปรากฏตัวเข้ามาหน้าตาเต็มไปด้วยหนวดเคราร้อมไปเห็นถนัดและที่สำคัญก็คือแขนซ้ายเจ้าปลิวงอบิดติดกับตัวทาน้ำมันไว้มันเลื่อมฉันก็ถามเอาความมันว่าทำไมไม่มาทำงานคำตอบของเจ้าปลิวคือวันนั้นพอผมล้างวิมานเสร็จกลับไปบ้านพอกินข้าวเสร็จจะนอนแขนก็ทับติดกันขึ้นมาเฉย แล้วปวดตลอดมาทุกคืนแขนก็ยืดไม่ออกเมื่อเช้ามืดนี้ผมนั่งรถไปหา ห, าหลวงพ่อโสธรเอาน้ามันทาก็ไม่หายพอมาลงรถปากซอยเข้าหาหลวงตาที่วัดท่านนั่งดูให้บอกว่าผมไปทาของของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตกแล้วไม่ยอมเก็บขึ้นผมถึงนึกได้ว่าตอนหลางวิมานผมทำนกที่เกาะที่ระเบียงวิมานตกแล้วผมลืมเก็บครับนายผมเลยมาจะเก็บคืน ฉันอดขันสภาพและหน้าตามันเวลามันเล่าไม่ได้แต่ก็ได้สั่งให้เจ้าปลิวเอาทูปไปห้าดอกไปจุดขอขมาแล้วเก็บนกขืนที่ขณะที่เจ้าปลิวเดินกลับจากไปขอขมาวิมานยังไม่ทันถึงตัวตึกก็มีเสียงบอกที่หูว่าเหล่านั้นแหละตัวดีเป็นคนใช้มันไปต้องขอขมาด้วยฉันคุ้นกับเสียงเหล่านี้ดีอยู่แล้วก็ไม่ตกใจอะไร กลับรู้สึกขันที่ท่านโกรธฉันด้วยฉันก็สั่งให้เด็กหยิบทูบมาแล้วก็เดินเอาทูบไปขอขมาท่านพอปักทูบเสร็จท่านก็บอกทันทีว่าเอาน้ำใส่ขันมาจะทำน้ามนให้มันรดจะได้หายฉันก็สั่งให้เจ้าปลิวเอาขันน้ำที่ใช้ล้างหน้าของคนในบ้านใส่น้ำไปตั้งที่วิมานขอน้ำมนจากท่านตามสั่งตอนเจ้าปลิวกลับ ฉันไม่ได้สนใจว่ามันเอาน้ำใส่ขันไปขอน้ำมนต์หรือเปล่าเพราะฉันขึ้นไปพักผ่อนชั้นบนรุ่งเช้าประมาณแปดนาฬิกาเศษฉันออกไปยืนที่ระเบียงตึกด้านทิศตะวันตกซึ่งเป็นทางท้ายซอยที่เจ้าปลิวอยู่ฉันมองเห็นผู้ชายคล้ายเจ้าปลิวเดินแกวงแขนมาอย่างธรรมดาลิบๆฉันคิดว่าคงไม่ใช่เพราะเมื่อบ่ายวานแขนมันยังติดกันอยู่เลยก็ขะเมนตามองให้ชัด คนคนนั้นก็เดินใกล้สายตาเข้ามาเข้ามาจนเข้ามาในระยะที่มองเห็นปรากฏว่าเป็นเจ้าปลิวจริงๆเดินแกว่งแขนมาอย่างสบายฉันแปลกใจมากรีบลงไปข้างล่างพอพบหน้าเจ้าปลิวก้นหนวดหน้าเรียมยิ้มหน้าบานบอกผมหายแล้วครับนายเออรู้แล้วเห็นแกแกว่งแขนมาแต่ไกลว่าแต่แกทํายังไงถึงหาย ผมลดน้ำมนต์ครับนายแล้วผมก็กราบไหว้ท่านทุกทีที่รถผมก็หายอย่างนี้ละครับนายต่อไปนี้ผมเข็ด จ, จนตายแล้วไม่ทำของของท่านตกอีกเด็ดขาดแล้วเจ้าปลิวก็เดินกระปี้กระเปล่าไปทำงานตามหน้าที่เช่นเคยและเรื่องที่เล่าต่อไปนี้ก็เป็นหนึ่งในอีกหลายสิบเรื่องที่เป็นอภินิหารพุทธกเกษตรวันนั้นเป็นวันพุธฉันจาได้ เพราะฉันต้องไปทานข้าวและเล่นไพ่ที่บ้านพี่สาวคนหนึ่งทุกพุธขณะที่ฉันนั่งรถจะผ่านประตูใหญ่ก็ต้องผ่านวิมานออกไปท่านใดก็ได้ยินเสียงท่านมาบอกที่หูว่านี่เนียคนรถนี่มันไม่สบายมากนะโรคมันรักษายากให้มันมาบนสิจะรักษาให้ฉันก็ถามคนรถมันชื่อเจ้าทองเหลืองว่าทอง เมียแกเจ็บเป็นอะไรเห็นสักผ้าทำงานได้ทุกวันแล้วเป็นอะไรเจ้าทองเหลืองตอบพลางขับรถไปพลางว่าเมียผมเป็นโรคอะไรไม่ทราบเลือดไหลาทางช่องคลอดมานานแล้วเคยไปหาหมอที่สิริราชให้รักษากินยาก็หายไปพอหยุดยาก็เป็นอีกครับตอนนี้ก็ยังไหลยอยู่แต่ไหลไม่มากแต่ก็ไม่หยุดเออเป็นโรคแปลกนี่เอาอย่างนี้เพราะแกกลับมาจากส่งนายแล้ว ก็จัดการจุดธูปเก้าดอกที่วิมานไปบนท่านแล้วเอาน้ําใส่ขันขอน้ำมนต์ท่านมากินทุกวันทุกวันแล้วแกจะบนถวายอะไรท่านก็ตามใจอย่าลืมนะกลับมานี่รีบไปบนท่านเสียฉันบอกเจ้าทองเหลืองมันก็รับคําด้วยความดีใจต่อมาอีกเป็นเดือนถ้าจําไม่ผิดแล้ววันนั้นก็เป็นวันพุธแล้วท่านก็บอกขณะที่รถกําลังจะผ่านประตูใหญ่อีกว่า นี่เมียมันหายแล้วนะแต่มันยังไม่ได้มาแก้บนเลยฉันก็ถามเจ้าทองว่าเฮ้ยทองเมียแกหายแล้วใช่ไหมใช่ครับนายเจ้าทองตอบยิ้มแยม้มอ้าวแล้วทำไมแกถึงยังไม่ไปแก้บนท่านละ่ะเจ้าทองนิ่งเงียบตกใจว่าทําไมฉันจึงรู้ตอบว่าผมลืมไปครับนายแล้วแกบนอะไรท่านละ่ะมากมายนะักหรือถึงยังไม่ไปแก้บนเปล่าครับพวงมะลัยสองพวงเท่านั้นครับ รู้ไหมที่นายรู้เนี่ยเพราะท่านมาบอกกลับจากส่งนายแล้วแกไปจัดการซื้อพวงมาลัยแล้วรีบมาถวายแก้บนเสียให้เสร็จในวันนี้นะอย่าลืมล่ะฉันกำชับตกเย็นเจ้าทองไปรับฉันกลับฉันก็ไม่ได้ถามมันว่าได้แก้บนหรือยังรุ่งเช้าขึ้นพอฉันเสร็จธุระประจําวันข้างบนแล้วก็ลงมานั่งในห้องรับแขกอ่านหนังสือพิมพ์ เจ้าทองก็ปรากฏตัวเข้ามานั่งพนมมือหน้าซีดพลางพูดว่านายครับผมผิดไปแล้วครับผมกลัวฉันเอะใจเอนี่เจ้าทองมันไปทําผิดอะไรฉันทบทวนว่าได้สั่งอะไรให้เจ้าทองทําแต่ก็นึกไม่ออกเลยถามมันว่าแกทําผิดอะไรแล้วทําไมต้องกลัวเรื่องอะไรกันพูดไปสิเมื่อวานนี้ผมไปซื้อพวงมาลัยมาแช่ไว้ในตู้เย็น กะว่าพอค่ำแดดไม่ร้อนผมจะไปถวายท่านครับแต่ผมลืมครับนายตลอดเวลาที่เจ้าทองนั่งพับเพียบกับพื้นเล่าเรื่องลักษณะมันกลัวจริงๆพนมมือพูดตลอดไม่ได้ปล่อยมือเลยฉันก็เลยบอกเอา้าก็แกไม่ทำตามนายสั่งนี่เห็นไหมล่ะแบบนี้รอช้าไม่ได้แกออกไปเอาจักรยานขี่ออกไปซื้อพวงมาลัยแล้วรีบมาถวายท่านเสียไปไปเดี๋ยวนี้ละ เจ้าทองไหวยอย่างน่าสงสารท่าทางตื่นกลัวแล้วรีบคลานออกไปเอาจั ก, กรยานขี่ไปซื้อพวงมะลัยทันทีและเชื่อว่ามันคงแก้บนไปเรียบร้อยมิฉะนั้นท่านคงมาบอกฉันอีกแน่แน่ฉันเองก็เพิ่งจัดตระหนักว่าความศักดิ์สิทธิ์ของท่านที่วิมานนี้นอกจากจะคุ้มครองลงโทษแล้วยังรักษาโรคภัยได้อย่างประหลาดอีกด้วยเพราะปรากฏว่า โลกเลือดไหลของเมียเจ้าทองมิได้เป็นอีกเลยจนกระทั่งได้ลาออกไปรับมรดกของพ่อเจ้าทองที่บ้านนอกเจ้าทองเลยกลายเป็นเศรษฐีย่อยๆไปโดยไม่รู้ตัวซึ่งต่อมาเป็นปีเจ้าทองได้กลับมาเยี่ยมฉันพร้อมเมียซึ่งดูมีราศีขึ้นมาด้วยกันทั้งคู่และเล่าว่าที่มาเป็นคนรถนั้นได้หนีพ่อแม่มาเพราะพ่อแม่ไม่ชอบลูกสะ้าคนโตที่ยากจน แต่เมื่อพ่อตายแม่ก็ยกโทษให้และยังได้รับมรดกที่นาหลายร้อยไร่จากพ่อด้วยต่อไปนี้ก็เลิกเป็นลูกจ้างแล้วต้องอยู่บ้านทำนาเลี้ยงแม่รวมกับน้องๆ อ, อีกสองสามคนก่อนจะกลับเจ้าทองและเมียมไม่ลืมที่จะไปจุดธูปกราบลาที่วิมานด้วยความเคารพและระลึกถึงพระคุณที่ได้เคยช่วยรักษาโรคให้ในครั้งกระโนนตอนแผอานิสง มีอยู่ระยะหนึ่งฉันอดแอ๋จนทําให้คิดว่าน่ากลัวอายุจะไม่ยืนลูกสาวคนโตแต่งงานไปแล้วแล้วก็ตายจากไปแล้วด้วยทิ้งหลานสาวสองคนไว้ให้ยายดูต่างหน้าลูกสาวคนที่สองก็แต่งงานไปแล้วกับวิศวกรซึ่งเป็นคนดีมากฐานะทางบ้านเขาก็ดียังเหลือแต่ลูกชายซึ่งฉันรักและเป็นห่วงมากได้เรียนสําเร็จแล้วทํางานแล้ว เพื่อนผู้หญิงมากเหลือเกินเพราะหล่อเหลาอาการอยู่ฉันอบรมทั้งสองคนหลังนี้อย่างดีที่สุดและเขาก็เชื่อฟังและปฏิบัติตามได้ความว่าลูกชายกําลังติดพันอยู่กับเพื่อนผู้หญิงที่ทํางานด้วยกันจึงเรียกมาและบอกให้ตัดสินใจเสียว่าจะเลือกใครแล้วขอให้ตัดสินใจเร็วๆฉันจะจัดงานแต่งงานให้เรียบร้อยหมดห่วงเสียที ถ้ายัางไม่ตายก็จะได้มีโอกาสไดเห็นหลานย่าเสียด้วยเร็วๆลูกชายก็ตกลงตัดสินใจเลือกคนที่ทำงานร่วมบริษัทเดียวกันฉันก็ไปหาหลวงพ่อวัดพลับให้หาเลิกแล้วก็จัดการเตรียมของมันวันนั้นขณะที่ฉันอยู่ร้านเพชรทีท่บ้านมออยู่ๆก็ให้นึกสังหอนขึ้นมาว่ามีคนกำลังต้องการพบแต่หาตัวฉันไม่ได้ก็จับโทรศัพท์โทรกลับมาถามที่บ้าน ก็เกิดเป็นเรื่องจริงว่าน้องสาวโทรศัพท์มาบอกมีเรื่องด่วนต้องการจะบอกประเดี๋ยวจะโทรมาใหม่ฉันก็สั่งว่าถ้าน้องโทรมาอีกแล้วก็ให้โทรไปที่ร้านที่บ้านมอกะว่ายังจะต้องอยู่อีกนานเพราะกําลังออกแบบแหวนมั่นอยู่พักใหญ่ๆน้องสาวก็โทรศัพท์ไปที่ร้านนั้นและบอกว่าพี่สาวคนโตกําลังเจ็บหนัก อยู่ห้อง ICU โรงพยาบาลพญาไทฉันก็รีบออกจากร้านเพชรพอดีเสร็จธุระแล้วด้วยตรงดิ่งไปที่โรงพยาบาลก่อนจะไปในห้อง i อ u ต้องสวมหมวกใส่เสื้อคลุมทับใส่รองเท้าของโรงพยาบาลพอเข้าไปที่เตียงที่พี่สาวนอนอยู่เห็นมีที่ครอบปิดอยู่ทั้งจมูกและปากพูดไม่ได้นอนหลับตานิ่งหมอกำลังให้ออกซิเจนอยู่ ฉันก็ถามพยาบาลซึ่งเป็นหัวหน้าอยู่ในห้องนั้นว่าอาการเป็นอย่างไรได้รับคำตอบว่าไตาไม่ทำงานไตาวายกำลังช่วยชีวิตโดยล้างไตให้ฉันก็ถามว่ามีหวังว่าจะรอดไหมพยาบาลก็ตอบว่าไม่แน่ใจว่าจะผ่านคืนนี้ไปได้หรือไม่อาการยังอยู่ในขั้นอันตรายฉันกลับไปที่เตียงพี่สาวอีก แล้วก็ชะโงกเข้าไปบอกที่หูว่าพี่ใหญ่น้องมาเยี่ยมเดี๋ยวจะกลับไปนั่งสมาธิแล้วจะแผ่อนิสง์มาให้ให้เตรียมใจรับอนิสง์นะฉันกลัวพี่สาวจะไม่ได้ยินก็บอกอีกว่าถ้าได้ยินก็ให้กระพริบตาพี่สาวก็กระพริบตารับคําฉันก็ลากลับตรงดิ่งมาบ้านอาบน้ําเปลี่ยนเสือ้อก็เข้าห้องพระเข้าไปอธิษฐานว่า จะนั่งสมาธิเพื่อแผ่อ น, นิสงไปให้พี่สาวที่กำลังเจ็บหนักอยู่ที่โรงพยาบาลขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ณเบื้องหน้าและเบื้องบนทั้งหลายช่วยลูกด้วยถ้าพี่สาวลูกจะต้องตายก็ขอให้ไปโดยสะดวกอย่าทรมานเลยแต่ถ้ายังมีโอกาสที่จะรอดชีวิตก็ขอให้อา น, นิสงที่ลูกจะนั่งสมาธิครั้งนี้ส่งถึงคนเจ็บและให้หนักเป็นเบาและให้รอดชีวิตด้วย ฉันจุดทูบ9ก้าดอกพอเอื้อมมือไปปักที่กระถางทูบก็มีเสียงบอกที่หูว่ารับสินห้าก่อนนะลูกฉันก็รับสินห้าแล้วก็เข้าไปนั่งในห้องนอนซึ่งเปิดแอร์ไว้เพราะอากาศข้างนอกร้อนมากฉันนั่งสมาธิจิตครู่เดียวก็มองเห็นดวงไฟดวงใหญ่ขนาดเท่ากับไฟส่องเครื่องบินดวงไฟนั้นเปิดอยู่แต่จมอยู่ใต้น้า ลึกลงไปแต่ค่อยๆขึ้นมาขึ้นมาจนพ้นน้ำแสงไฟยังปรากฏอยู่ทันใดนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนึ่งซึ่งทรงภูษาแบบที่สะพานพุทธแต่ไม่ได้สวมพระมาลาก็ปรากฏขึ้นเห็นชัดมากในจิตฉันก็ถวายความเคารพท่านท่านทรงยิ้มน้อยๆ อ, อยู่พักหนึ่งก็หายไป ทันทีที่ปรากฏภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ดขึ้นแทนที่พระองค์ท่านทรงเสื้อขาวกระดุมห้าเม็ดทรงยิ้มให้ฉันเหมือนกันในจิตสำนึกฉันรู้สึกตื่นเต้นและปลื้มปิติมากถาวายความเคารพท่านแล้วท่านก็หายไปฉันยังดิ่งอยู่ในสมาธิแต่ก็มีเสียงเรียกว่ากรับเถอะกลับเถอะพร้อมกับเสียงเรียกก็มีลมมาพัดที่แขนซ้าย ทำให้เกิดความรำคาญฉันจึงกลับด้วยความจำใจเสร็จแล้วฉันก็พนมมือและตั้งจิตอธิษฐานแผ่อานิสง์ไปยังพี่สาวที่นอนเจ็บอยู่ด้วยดวงจิตที่แน่วแน่ขอให้รอดปลอดภัยด้วยแต่ในใจฉันก็ยังคิดกังวลอยู่ตลอดทั้งวันจนถึงเวลานอนรุ่งเช้ายังมืดอยู่กะว่าคงเป็นหกโมงเช้าได้ก็มีเสียงโทรศัพท์จากน้องสาวว่าพี่สาวอาการพ้นอันตรายแล้ว และบ่ายนี้เขาจะย้ายออกจากห้อง i อซูไปนอนห้องพิเศษแล้วฉันได้รับฟังด้วยความเพื่อมปิติเป็นอย่างยิ่งเช้าวันนั้นก่อนออกจากบ้านไปเยี่ยมพี่สาวได้เข้าห้องพระสวดมนต์ภาวนาทำวัดเช้าตามปกติแล้วก็กราบละลึกถึงพระเดชพระคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ที่ทรงสเสด็จมาช่วยโปรดด้วยบารมีของพระองค์ท่านโดยแท้ทีเดียวมิต้องสงสัย ฉันไปถึงพี่สาวซึ่งเป็นที่น่าประหลาดที่มองดูไม่มีอาการของคนเจ็บหนักพ้นตายมาหยกๆยกหลงเหลืออยู่เลยพูดคุยได้อย่างดีและความจำก็ดียังอุตส่าห์ขอบใจที่ฉันมีแผ่อันนิ้ส่งไปให้เธอบอกได้นอนครึ่งหลับครึ่งตื่นรอรับอันนีส่งจากฉันทุกขณะที่รู้สึกตัวและฉันก็ได้บอกให้พี่สาวทําสมาธิจิตโดยทาจิตว่าง ทองพุโทโธอยู่เรื่อยๆขณะที่นอนพักฟื้นและให้ปฏิบัติโดยเข่งครัดตลอดไปพี่สาวฉันได้กลับบ้านหลังจากนั้นไม่ถึงอาทิตย์และมีชีวิตอยู่ต่อมาอีกถึงสปีถึงได้ถึงแก่กรรมโดยนอนพนมมือทั้งสองไว้บนอกก่อนจะสิ้นลมโดยไม่มีใครรู้ในตอนดึกและกว่าลูกๆจะรู้เอาตอนเช้าร่างก็แข็งแล้วตอนจะรดนะ้าถึงกับต้องแยกมือออกจากกัน และมือขวาที่รอลดน้ำนั้นก็แบะอยู่ในลักษณะมือที่ยังพนมอยู่ก่อนตายโดยไม่เปลี่ยนแปลงมีบางท่านเถียงฉันว่าอานิสงส์ของเราที่แผ่ไปให้ใครก็ตามถ้าบุคคลผู้นั้นเป็นคนจะรับไม่ได้นอกจากคนคนนั้นเป็นเปรตถ้าอย่างนั้นที่พวกเราชาวพุทธทำบุญให้คนตายกรวดน้ำแผ่ส่วนกุศลหรือเมื่อครบวันตายญาติพี่น้อง พ่อแม่เมียผัวที่ทําบุญแล้วพระบางสุกุลให้ก็ไม่มีทางที่จะไปถึงผู้ตายที่เราแผ่กุศลผลบุญไปให้นอกจากผู้ตายนั้นจะเป็นเปรดหรือใครจะว่าอย่างไรก็ตามฉันขอคัดค้านและปักใจเชื่อว่าอานิสงของเราที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมและกรรมดีแล้วตั้งใจแผ่อนิสงอุทิศให้แก่คนหรือผู้ที่ถึงแก่กรรมไปแล้วนั้น ต้องได้รับผลอนิสงส์นั้นแน่นอนดังเรื่องที่ได้เกิดขึ้นแก่ตัวฉันเองและพี่สาวเป็นตัวอย่างนอกจากพี่สาวแล้วยังมีคุณแม่อีกคนที่ฉันทำบุญตอนคุณแม่เสียโดยมีอาจารย์เบาาเอิงมาเป็นคนจัดทําพิธีกงเต็กให้คุณแม่ตอนที่ฉันทำแทบจะทะเลาะกับพี่ๆซึ่งเขาพากันคัดค้านว่าหลงเชื่อในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ มีอย่างที่ไหนเอากระดาษมาเผาแล้วจะกลายเป็นสิ่งที่เป็นจริงไปให้ถึงแก่ผู้ตายฉันกับคุณกริเราสองคนเทียงกันหัวชนฝาบอกประกาศเลยว่าใครจะร่วมเงินก็ร่วมใครไม่เชื่อไม่ร่วมเงินเราสองคนจะทำเองหมดเท่าไหร่ก็หมดไปเรื่องนี้เกิดมาตั้ง35ปีมาแล้วฉันยังจำได้ว่าได้จัดซื้อตึกหลังใหญ่มีระเบียงรอบตัวตึก ทั้งชั้นบนชั้นล่างซื้อรถยนต์และของใช้ที่จําเป็นอีกหลายอย่างเวลาทําพิธีก็ต้องเตรียมเศษสตางค์เหรียญเล็กๆอัลล่า์สตางค์ไว้เป็นกรอบเวลาเดินขึ้นสะพานพอจะลงก็มีที่รองรับสตางค์อยู่ทางขวามือเราก็จะทิ้งสตางค์ลงไปทุกครั้งที่เดินผ่านท่านเบาเอิงก็จะเคาะอะไรก็จําไม่ได้แล้วก็จะมีเสียงเหมือนะระฆังเล็กๆสั่นดังกริ๋งๆคุณพ่อและพี่พี่ ที่ไม่เชื่อก็มาร่วมเดินด้วยจำไม่ได้ว่าเดินกี่รอบแต่เดินวนไปวนมาขึ้นขึ้ น, นลงลงสะพานหลายหนเวลาเดินใจฉันมั่นคงแนว่วแนว่แผ่อานิสงไปให้คุณแม่ตลอดเวลาและจิตนั้นก็มุ่งมั่นขอให้ถึงคุณแม่ให้ได้เหตุที่ทำให้รู้ว่าถึงคุณแม่ก็คืองานศพคุณแม่ผ่านไปจนกระทั่งเผาเรียบร้อยเราสองคนก็ไปพักผ่อนที่ฮ่องกง หลังจากคุณแม่เสียประมาณสามเดือนเศษคุณแม่มาเข้าฝันฉันที่ฮ่องกงจำได้ว่าคุณแม่ใส่เสื้อผ้าพแพรดอกที่ชอบใส่ประแป้งเต็มหน้าเดินอยู่บนตึกหลังใหญ่มีระเบียงรอบบ้านคุณแม่เรียกชื่อฉันบอกว่าขอบใจนะที่ทำให้แม่แม่ได้รับทุกอย่างท่านผูดจายิ้มแย้มอ้วนทวนสมบูรณ์ฉันก็ขึ้นไปหาคุณแม่บนระเบียงตึกด้วยและในฝันว่า แมมคุณแม่มาอยู่เสียไกลจังคิดถึงคุณแม่เหลือเกินได้กอดคุณแม่แล้วถามว่าคุณแม่ต้องการอะไรอีกไหมคุณแม่ยิ้มแล้วบอกว่าแม่สบายแล้วไม่ต้องการอะไรอีกถ้าแม่มีอะไรจะไปบอกลูกนะฉันนอนฝันที่โฮเทลในฮ่องกงทั้งๆ ท, ที่ในใจฉันมีได้มีคุณแม่อยู่ในสมองเลยเพราะช้อปปิ้งเสียจนเหนื่อยตื่นขึ้นมาเล่าฝันให้คุณกริดฟัง คุณกริดเองเป็นคนจำได้ว่าตึกที่เราซื้อให้คุณแม่ในพิธีกงเต็กนั้นเป็นตึกที่มีระเบียงล้อมรอบฉันจึงจำได้และคนลุกสู้ด้วยความปิติว่ามีเสียแรงที่เราตั้งใจทำให้คุณแม่และและ้วอา น, นิสงส์นี้ก็ถึงคุณแม่จริงๆ